ส่งกันบ้านเคยมาหมท้านอาจารย์คะเคยมาครั้งหนึ่งค่ะแต่พอเริ่มเริ่มปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีท่านอาจารย์ประมาณ6เดือนนะคะก็เลยอยากจะเรียนรบกวนอาจารย์ให้อยากจะถามว่าจริตที่ตัวเองมีอยู่อะคะ่ะเป็นแบบไหนแล้วก็ควรจะเริ่มวิธีปฏิบัติอย่างไรคิดมากนะไดูจิตไปะอะไรจริตเราเอางดูไม่ออกเลยี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะทํา กายานุปัสนาดีหรือว่าจะเวทนาดีในความเป็นจริงนะทุกคนนะมีจริตผสมผสานไม่ได้จริตเดียวๆร้อยเปอร์เซนตหรอกอัน<ม>นั้นเป็นจริตทางทฤษฎีแบ่งเป็นสองกลุ่มชัดๆในความเป็นจริงแล้วทุกคนมีทั้งตัณหาและทิฏฐินี่เราสังเกตดูใจเราอะมันช่างคิดไหมนั่นแห ะ, ะใจมันเป็นทิฏฐิจริตนะให้ดูจิตเป็นหลักถ้าดูจิตถูกต้องเราจะรู้กาย ถ้าดูกายถูกต้องแล้วจะรู้จิตหมายความว่าถ้าเราดูจิตหัดดูไปเรื่อยนะจิตขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวจิตมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราหัดดูเรื่อยๆนะต่อไปสติจะเกิดเองตรงที่สติจะเกิดขึ้นเองนะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูชั่วขณะบางครั้งสติจะไปรู้กายบางครั้งสติจะรู้จิตเลือกไม่ได้ละไม่มีสายกายสายจิตอีกแล้วพอสติตัวจริงเกิดแล้วหรือบางคนต้องหัดดูกายก่อน ดูจิตใจแล้วรู้สึกดูยากไม่คุ้นเคยวันนี้ก็ดูกายไปถ้าดูถูกต้องนะสติจะเกิดสัมมาสมาธิก็เกิดเหมือนกันเตรียบเลยพอเกิดแล้วบางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้จิตไม่มีสายละนั้นสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นหรอกเบื้องต้นให้ตามรู้กายเนืองเนืองตามรู้เวทนาเนืองเนืองตามรู้จิตเนืองเนืองตามรู้สภาวะธรรมคือกายกับใจรูปนามเนืองเืองเป็นการตามรู้ทั้งหมดเลย ดังถึงใช้คําว่ากายญานุปัสสนาปัสสนาคือการเห็นอนุปวาตามตามรู้กายเนือนืองตามรู้เวทนาเนืองเหรือแต่ตามเห็นก็ได้นะแต่จะเรียกพอตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมเนืองเแล้วต่อไปสติจะเกิดเองพอสติตัวแท้ๆเกิดเนี่ยนะใจจะตั้งมั่นขึ้นไหมทีลักษณะทีลักษณะเรียกว่ามีสัมมาสมาธิแบบอณิกะสมาธิ พอใจตั้งมั่นขึ้นเป็นขนาดขนาดแล้วเนี่ยบางครั้งสติก็รู้กายบางครั้งสติก็รู้จิตตรงนี้ไม่มีสายละงั้นพอสติแท้ๆเกิดแล้วก็รู้หมดนะทั้งกายรู้ทั้งจิตไม่ใช่รู้อันใดนหนึ่งนี่เราเรียนธรรมะที่พระเจ้าสอนนะบางทีเรานึกๆเอาเองนะนึกว่าเดินกายเดินจิตเดินตรงนั้นเดินตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย พวกเราที่ฝึกมาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมบางทีมันก็รู้กายบางทีก็รู้จิตแล้วแต่ว่าอะไรเด่นนี่ของคุณนะเบื้องต้นพวกคิดมากคิดมากให้หัดดูความรู้สึกของตัวเองไปลืมคําว่าดูจิตซะก็ได้เพราะจิตเป็นอะไรก็ไม่รู้ลึกลับฟังแล้วต้องไปเที่ยวแสวงหาว่ามันอยู่ที่ไหนจะดูยังไงนี่เรื่องมากยิ่งชักช้าหนักเข้าอีกให้ตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะถ้ารู้มีแต่ความรู้สึกแล้วคงที่เนะ่ต้องผิดอะไรสักอย่างละเนี่ยใจเกิดสงสัยขึ้นแว บ, บหนึ่งรู้สึกไหมเนี่ยให้รู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแต่ถ้ามันไม่ยอมเปลี่ยนนะมีแต่ความสุขล้วนๆสามวันสามคืนก็อยู่ได้นะของปลอมฟ้าป้าป้าป้ า, ป า, ปาเลยเคลิมตามหลวงพ่อไปละดูออก เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ทําให้เกาะ <pepper> ใจลอยละเนี่ยหัดรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจูนความรู้สึกเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามการกระทบอารมณ์ตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนเช่นเสียงชมความรู้สึกเป็นอย่างนี้เสียงด่าความรู้สึกเป็นอย่างนี้เพลงนี้ได้ยินแล้วรู้สึกอย่างนี้เพลงนี้ได้ยินแล้วรู้สึกอย่างนี้ เรงนี้รู้สึกมันเรงนี้รู้สึกเศร้าให้รู้ความรู้สึกนะคอยรู้ความรู้สึกเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็ภาวนาเป็นเมื่อวานนี้พอดีจูนโดนบาดนะคะโดนบาดแล้วก็เห็นเนื้อเห็นเลือดแล้วก็แวบแรกได้เห็นว่ามันตกใจแล้วก็กลัวแล้วก็ดูไม่ทันใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แวบแรกอะไม่ตกใจ แว บ, บแรกไม่ตกใจแว บ, บต่อมาถ <_ an> ึงจะตกใจแว บ, บแรกแค่เห็นนะนไม่รู้สึกอะไรหรอกใช่ค่ะแล้วพอเห็นว่าแบบมันลึกแล้วมีเลือดเนี่ยก็ตกใจเริ่มตีฆ่าแล้วก็ตกใจเริ่มตกใจเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยจุนเห็นแต่ว่าเหมือนใจมันเป็นนิ่งอยู่ข้างในรู้สึกก็เอ๊ะตกลงเนี่ยตอนนี้กลัวอยู่แ น, น่แต่มันแนบไปหรือว่ามันกดไว้แล้วมันหนีเข้าไปอยู่ข้างในกันแน่จนดูไม่ออกอ เรารู้แต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีสติอยู่แน่แน่สักพักหนึ่งก็ตาไปมองโทรทัศน์ก็เริ่มหลงไปทางโน้นก็เริ่มคลายออกมาถึงได้แบบมันถึงได้เริ่มออกมาจากจากถ้าอะค่ะออกมากระทบเงาจิตเข้าถ้ารู้ว่าเข้าถ้าน ะ, ะก็มีสติเหมือนกันจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใช้ได้หมดแหละนะเราไม่ต้องนั่งแก้ถ้าจิตใจเกิดสภาวะอะไรแล้วยอมรับได้นะไม่แก้เนี่ยไม่ดิ้นเลยพอไม่ดิ้นเนี่ยมันจะหลุดออกมาจากสภาวะนั้น จะเป็นกลางเป็นตัวของตัวเองขึ้นมามันยกตัวอย่างอย่างเราใจลอยไปเอเราใจลอยเรารู้ว่าใจลอยรู้แล้วเราไม่ทาอะไรเลยนะใจเราไม่ขยับสักนิดเลยนะมันจะเกิดสภาวะแห่งความตื่นขึ้นมาฉับพลันเลยจากความใจลอยตัวนั้นจะกลายเป็นความตื่นขึ้นในตรงนั้นเลยนะไม่ใช่ต้องเคลื่อนที่นะของเราอย่างพอรู้ว่าใจลอยเราต้องดึงใช่ไหมเอามาตรงนี้แล้วค่อยตื่นแค่นั้นตื่นปลอม แต่ถ้าอย่างใจลอยเนี่ยเบอร์40่สิบรู้สึกไหมเมื่อกี้มันใจลอยไปรู้สึกไหมตรึงไว้แล้วเนี่ยเห็นไหมทําอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่เป็นรู้สึกไหมใจลอยรู้ว่าใจลอยแล้วจบแค่นั้นเลยแต่นี่พอรู้ว่าใจลอยปุ๊บดึงนี่เข้ามาอย่างนี้อันนี้ก็คือการส่งจิตเข้าไปข้างในตอนใจลอยเราก็ส่งจิตไปข้างนอกหลงไปพอรู้ว่าใจลอยนะในขณะนั้นรู้รู้เรียบร้อยถูกต้องแล้ว ถัดจากนั้นหลงข้างใหม่ส่งจิตเข้าข้างในส่งออกนอกส่งเข้าข้างในมันก็ส่งออกเหมือนกันแต่ถ้าจิตส่งออกไปรู้ว่าส่งออกไปนะรู้แล้วไม่ทําอะไรเลยนะมันจะตื่นขึ้นตรงนั้นเลยพอตื่นขึ้นตรงนั้นมันจะอยู่กับความเป็นกลางไม่มีนอกไม่มีใ น, นคือเวลาภาวนาจะรู้สึกเหมือนมีแมงวีบินอยู่ข้างหูบอกว่าทายังไงดีทํายังไงดีทำยังไงดีทำยังไง ด, ไงดีตลอดเวลาก็เลยทําตลอดเวลาแบบนี้ กีบคว้าทำอไรหลายเลยล่ะจะแบงวีนิมิตรึเปล่ามันเหมือนมันกระวนกระวายอ่ะค่ะกลัวไม่ดีก็จะพยายามทําให้ดีทําให้ดีทําให้ดีกลัวไม่ดีให้รู้ว่ากลัวไม่ดีอยากทําให้ดีรู้ว่าอยากลงมือทํารู้ว่ากำลังทําอยู่ทำแล้วไม่ได้อย่างใจโทสะเกิดรู้ว่าโทสะเกิดนะของจูนมันไม่จบลงแค่ทำหรอกมันมีโทสะแทรกอ่ะเก่ง หลงแล้วจูนหลงสองคนเอาว่าไงไม่แน่ใจสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นไม่รู้สึกรู้สึกว่ามันเฉยไปหรือเปล่าตรงนี้ใช่ไหมเฉยมากไปกดเอาไว้ดีที่เห็นนะแล้วจะทำไงดีไม่รู้จะทำยังไงเลยทำไม่ได้ให้ยอมรับมันไปว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันเริ่มมีความกังวลว่าถ้าเกิดสมมติว่ามือว่าพักผ่อนไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยครับ สมมตินอนทั้งแบบวันละสองสามชั่วโมงเงี้ยรู้สึกว่าไอ้สภาวะเฉยมันจะมาบ่อยผิดปกติไม่มันอยากพักร่างกายจิตใจมันต้องการพักมันสัมพันธ์กันไหมครับสัมพันธ์เพราะเราต้องดูตัวเองกินแค่ไหนพอเหมาะนอนแค่ไหนพอเหมาะนอนมากไปก็เฉ่ยใช่ไหมนอนน้อยไปก็ทื่อๆครับให้ดูเอานะกินแค่ไหนพอดีนอนแค่ไหนพอดีครบคนชนิดไหนแล้วพอดี มีเงินไขเยอะนะอยู่ตรงไหนแล้วพอดีเวลาไหนภาวนาดีต้องรู้นะรู้ถ่องตัวเองมีคนหนึ่งภาวนาไปศึกษากับครูบาอาจารย์พร้อมกับหลวงพ่อชื่อพงเชษคนนั้นชอบอยู่ในถ้ำงั้นในอยู่กรุงเทพวัดกรุงเทพหาถ้ำไม่ได้นะเพื่อนเล่นเข้าไปอยู่ในโบสถปิดประตูหน้าต่างหมดเลยเหมือนถ้ำเลยเราโผล่เข้าไปนะเราน้ามูกไหลเลยหายใจไม่ออก เนี่ยของเขาถนัดอย่างนั้นหรือกินอาหารชนิดไหนแล้วภาวนาดีนอนแค่ไหนหรือไม่กินแล้วภาวนาดีก็ดูเอาเองคบคนยังไงถึงจะดีคบมางคนสติแตกมันชวนคุย <laughs> ก็ต้องห่างๆเนี่ยต้องดูนะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยยังมีอิทธิพลต่อใจของเรา ใ, ใจเรายังไม่ได้เป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อม ยังไม่ใช่ปลาอนาคาว่างั้นเถอะไม่เอาหรือไม่มีอะไรนะั่นแหละธรรมะยังมีเกิดอยู่อ่ะฮะเกิดเกิดยังเกิดนิดหน่อยกลัวไม่ดียังไ ม, ไม่เป็นกลางกไมไม่เป็นกลางงั้นถ้าเรารู้สภาวะทั้งหลายนะด้วยความเป็นกลางจริงๆมันจะพอดีเลยอย่ารู้แล้วพอดีถ้าไม่เป็นกลางเนี่ยมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมา พอมีความยินดียินร้ายเนี่ยใจจะดิน้นพอใจจะดิ้นใจก็ทางานพอใจทำงานใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาสร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาแต่กดไม่เยอะมากใช่ไหมหรือว่าหรือว่าเยอะเยอะกว่าเมื่อวาน <laughs> <laughs> ดูไม่เคยออกทื่อๆไม่แช่มชื่นวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นโมหะโมหะครับงำตามสิ่งแวดล้อมแดดก็ออกนะทาไม ส่วนใหญ่ซึมหลวพ่อดูแถวหน้านี่ซึมเกลี้ยงเลยนี่ด้วยอีกหนึ่งซึมเหรอคะซึมโอ้ดีให้มันสว่างหน่อยต่ไปต้องเอาสปอตไลท์สองหน้ารู้สึกไหมใจค่อยสว่างขึ้นหน่อยสิง่งแวดล้อมยังมีที่ฝนนะอ้าว่างไงก็เห็นเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะคะ่ะเมื่อเช้าเขาก็เห็นเขามีกลัวๆอยู่เป็นระยะแล้วก็ชอบ กดลงเห็นเห็นเขาเป็นทํำนี้ค่ะดเดี๋ยวก็หายเห็นอย่างนี้กดีแล้วแต่เห็นเหมือนเป็นกระบวนการแต่มันอยากหายเขาทํายังไงก็ช่างเขาเราเห็นไม่เห็นเห็นยาวๆงี้ก็ไม่เป็นไรหรอกดูถูกที่รู้ไปรู้ทุกสิ่งที่จิตไปรู้นะรู้แล้วไม่ทําอะไรรู้แล้วจบลงที่รู้ถ้าเราทําอะไรต่อก็เพราะว่ายินดียินร้ายขึ้นก็เลยทําทําแล้วทุกข์รู้สึกบางทีก็เฉยๆได้บ้างเป็นบางช่วงอะค่ะ เฉยก็ต้องเฉยแบบนุ่มนวลอ่อนโยนสบายเฉยแบบแห้งแห้งใช้ไม่ได้นะแห้งไปแห้งไปแล้วทำไมไม่แห้งอค่ะทำไม่ได้ทไม่ได้ <c oughs> ให้รู้แล้วยอมรับสภาพนะจิตใจยังมีความสุขขึ้นมาภาวนาแล้วต้องมีความสุขนะจิตที่เป็นกุศลนะจิตที่เป็นมหากุศล จ, จิตนะมีความสุขอย่างดีที่สุดอย่างต่ก็มีอุเบกขาแต่อุเบกขาแบบมีความสุข นุ่มนวลเป็นกลางนะเป็นอูเบกขานุ่มนวลเป็นกลางมีความสุขจะไม่แห้งแรงแข็งกระด้างถ้าภาวนาแล้วแห้งแรงแข็งกระด้างยังภาวนาไม่ถูกเก<ม>ือบทั้งหมดก็คือการบังคับตัวเองอย่างเบอร์36นะภาวนาชอบบังคับตัวเองอยังบังคับอยู่<ม>ให้รู้นะให้รู้กายให้รู้ใจไม่ใช่ให้บังคับกายบังคับใจก็ส่งใจไปหา จิรัสจิรัสมาคนเดียวเหรอวันนี้หญิงไม่สบายครับ mm hmm. ก็ก็อย่างเพง่งเพ่งกดก ด, กดเกิดเกินมีละมัวหน่อยๆครับจีรัสต้องยอมรับครับมันเป็นยังไงนะยอมรับมันลงไปเลยครับมันเป็นอย่างนี้แหละหมดความคิดที่จะแก้ไขถ้ายอมรับมันได้นี่นะใจจะพลิกตัวขึ้นมาเองเลยเป็นกลางขึ้นมาฉับพลันนะแล้วสภาวะที่เป็นอกุศลทั้งหลายจะดับลงทันทีเลย แต่ถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยใจมีโทสนะสติจะไม่เกิดนะถ้ากิเลสเกิดแล้วสติมันจะไม่เกิดถ้าสติเกิดนะกิเลสก็จะไม่เกิดงั้นอย่างพอเราเห็นสภาวะแล้วใจเราไม่ชอบนะอยากแก้นะกิเลสเกิดสติจะไม่มีหรอกทำยังไงแก้ไม่ตกแต่ถ้าใจถึงถึงนะเห็นสภาวะแล้วรู้มันอย่างที่มันเป็นนะไม่ยินดีกับมันไม่ยินร้ายกับมันนะใจจะตื่นขึ้นฉับพลันเลย รู้สึกไหมคลายออกแเอวเห็นไหมง่ายจะตายไปมันอยู่ที่ยอมรับไหมคุณตรงวันนี้ก็ชายเดียวเหมือนกันมันมีความรู้สึกมันไม่ใช่กดเข้ามันรู้สึกเหมือนมันดันออกครับให้รู้มันนะอย่าไปต้านมันแล้วก็ไปคิดถึงหน้ายี่สิบสี่วิถีความรู้แจ้งพัร์หนึ่งนะครับก็มีความรู้สึกว่าหน้านั้นน่าสนใจครับหน้าไหนนะหน้ายี่สิบสี่ ว่างไงไม่รู้หรอกเรื่องเรื่องเรื่องความรู้สึกที่จิต เ, ออเกิดความรู้สึกยินดีกับยินร้ายครับ mm hmm. ถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางเอง mm hmm. ครับส่วนนี้สําคัญนะคือถ้าจิตไม่เป็นกลางเนี่ยจิตจะดิน้นรนไม่เลิกถ้าจิตมันยอมรับความจริงนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นยังไงก็ได้ยอมรับไป จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเป็นกลางจิตไม่ดิน้นเมื่อจิตไม่ดิน้นมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นเรื่องของสภาวะล้วนๆไม่ใช่เรื่องของเราสักนิดเดียวเลยเห็นอย่างนี้นะใจเป็นกลางถึงจุดหนึ่งใจมันยอมรับความจริงหนักขออึก้นจริงๆแล้วตัวเราไม่มีไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยมันคือการที่ใจยอมรับนั่นเองที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือใจมันยอมรับธรรมะยอมรับความจริง ในขณะที่ใจของเราเนี่ยปฏิเสธธรรมะตลอดเช่นอกุศลเกิดเราไม่ชอบปฏิเสธนะกุศลเกิดอยากให้มันอยู่นานๆนี่ก็ปฏิเสธความจริงที่ว่ามันไม่เที่ยงกายใจที่ปฏิเสธความจริงก็ดิ้นดิ้นไปเรื่อยหวังว่าวันหนึ่งจะดีดิ้นกี่พบกี่ชาติก็ไม่ดีเพราะเราดิ้นรนหาสิ่งซึ่งไม่มีจริงสิ่งที่ไม่มีจริงก็คือสุขถาวรสงบถาวรดีถาวรไปหาของไม่มี แต่ถ้าเราเห็นสภาวะแล้วนะใจเกิดดิ้นขึ้นมาให้รู้ทันรู้ทันไปเราไม่ต้องไปทําอะไรสภาวะที่ใจดิ้นรนด้วยความอยากเขาจะหายไปรู้ทันถ้าเร็วกว่านั้นเห็นตัญหาเกิดขึ้นอยากดึงเข้ามาอยากผลักออกไปอะไรเงี้ยรู้ทันมันรู้ทันมันมันก็ไม่ปรุงแต่งไม่ดิ้นต่อไปพอานาละเอียดขึ้นอีกลึกลงไปอีกก็จะเห็นเลยเบื้องหลังตัญหาคืออวิชชาความรักตัวเอง ไม่รู้ความจริงว่าตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นตัวเราจริงๆอยากให้มันดีอยากให้มันสุขก็ดิ้นเนี่ยปัญญามันจะเข้าใจลึกลงลึกลงนะช้ำแลกลงไปจนถึงเอาวิชาลึกลงเป็นลำดับชั้นตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เราเห็นทุกข์เกิดขึ้นมากายกระจียนนี่แหละตัวทุกข์เราก็รู้มันไปถ้าเราเห็นใจที่ดิ้นรนนี่ เราเห็นพบเราก็ละเอียดขึ้นอีกหน่อยเราเห็นจิตใจแอบทางานแล้วก็เห็นพบต่อไปเราละเอียดขึ้นอีกเราเห็นตั้นหาอยู่เบื้องหลังการทำงานเช่นอยากดูแล้วก็วิ่งไปดูอยากฟังแล้วก็วิ่งไปฟังอยากรู้เรื่องแล้ววิ่งไปคิดอยากปฏิบัติทำวิ่งไปกาหนดเนี่ยเราเห็นตั้นหาก็ดีขึ้นไปอีกค่อยๆรู้ไปนะรู้เป็นแต่ไม่ต้องจงใจทวนลงไปนะเขาทวนเขาเอง บางคนเห็นแค่ตันหาก็ขาดเลยบางคนก็ต้องทวนลงไปอีกจะไปเห็นอวิชชาพระพุทธเจ้าแต่และองค์ตัดไม่เท่ากันนะตอนที่ตัดเห็นไม่เท่ากันอย่างบางองค์เนี่ยท่านดูลงไปไม่ถึงอวิชชาท่านดูไปถึงวิญญาณเนี่ยวิญญาณนะํญญ า, นารูปนะีวิญญาณเป็นตัดใจของนารูปนํารูปเป็นตัดใจของวิญญาณนู่นี้ตัดละเป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่ท่านดูลงไปถึงอวิชชา ใต้อวิชชาลงไปมีอีกมีอาสวะอีกนี่ท่านดูไปไม่ถึงโดยที่ท่านก็ขาดสะก่อนแต่ว่าไม่ใช่ชั้นท่านไม่รู้นะท่านรู้แต่ว่าท่านไม่จําเป็นยังเหลือมีดอีกอยังใช้ไม่หมดขาดสะก่อนคือเห็นแจ้งอริยสัจซะก่อนเพราะนั้นเราภาวนาเนี่ยสุดท้ายเราจะเห็นแจ้งอริยสัจถ้าไม่เห็นแจ้งอริยสัจก็คําพบคําชานไม่ได้เห็นแจ้งอริยสัจก็คําพบคําชานแน่นอน เห็นแจ้งอริยสัจข้อหนึ่งหเห็นทุกข์เห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์มันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่มีสมุทยัยไม่มีความอยากที่จะให้มันหายไม่ได้อยากให้มันหายทุกข์นะเพราะงั้นสภาวะใดๆเกิดขึ้นนจีรัสยอมรับไปถ้าใจเราไม่ยอมรับใจเรามีความอยากขึ้นมาใจจะยิ่งดิน้นยิ่งดิน้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ ก, ก็ยิ่งดิ้นอีกเราจะตกเข้าไปอยู่ในวงรอบระหว่างการมีความทุกข์กับมีการดินน้นรนใจก็จะสร้างพบไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเรายอมรับสภาพได้เห็นทุกอย่างที่ปรากฏรู้ไหมเนี่ยคุณตรงกดแล้วรู้สึกไหมกดวับขึ้นมาเฉยๆให้รู้ลูกเดียวมันกดก็ไม่ต้องแก้กดก็ไม่ต้องแก้นี่สำหรับคุณตรงนะสำหรับบางคนต้องแก้บางคนเนี่ยกดมาทั้งหลายปีแล้วต้องหาทางแก้ซะก่อนเพราะจะมาเจริญสติรู้ว่ากดอะไรย่งนไม่หลุดหลกวิธีแก้การติด การประคองการบังคับการเพ่งที่ดีที่สุดนะคือเลิกปฏิบัติซะใจถึงถึงเมื่อทําผิดแล้วห้ามขยันใจถึงถึงพวกที่ติดเพ่งอ่ะติดกําหนดติดประคองมากๆเลยนะจะกระดูกกระดิกเครียดไปหมดเลยเนะี่ยพวกนี้ต้องเลิกซะก่อนนี่ของคุณตรงติดอยู่รู้ว่าติดเป็นกลางกับมันใจไม่ถลําลงไปไม่ถลําลงไปจ้องไอ้ที่ติดดูอยู่ต่างหาดูอย่างเป็นกลางนะมันจะหลุดของมันเองเลย อะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวมีม <า S 1> อะไรมากับคุณพ่อครับอยากรบกวนหลวงพ่อเอา<ม>คุณพ่อาม า, มาหลายรอบแล้วเป็นไงบ้างวันนี้จิตมันเอส่งออกไปข้างนอกอยู่เอเกือบตลอดเวลาครับดีทําให้รู้ตัวว่าเผลอเนี่ยดีดนนีนานๆสักทีครับเหลอไม่เป็นไรใหม่ๆก็นานๆทีต่อไปก็เยอะขึ้นตอนนี้จิตไม่เหมือนเดิมแล้วนะ ร, รู้สึกไหมจิตใจเราสบา ย, ม, ยมันโปร่งมันโล่งกว่าแต่ก่อนครดูออกไหมครับดูออกครับเราภาวนาเริ่มใช้ได้ล้วดีครับโยมคอยรู้ไปเรื่อยๆตอนเนี้ใจหนีไปคิดรับไหมครับใจไหลไปคิด <ใช S 1> เราก็รู้เนะี่ยจะพยายามเข้าไปดูเันพยายามเข้าไปตรึกมัอนอย่างเงี้ยครับนะเราก็รู้ทันรู้ทันใจไปเรื่อยๆนะเก่งนะมันตรงใช้ได้ละครับใจตื่นแล้วล่ะ บางคนภานานนะดียังไม่รู้เลยนะอ๋อดูหัดรู้หัหดดูดีมากเลยเอา้าวใครยังไม่อ่านไปอ่านนะหัดรู้หัดดูโดยสุรวัตรเสรีวิวัฒนาแจกฟรีนะมีมีพระเนี่ยนะพระท่านบอกว่าเห็นหนังสือของหลวงพ่ออ่านก่อนอุย้ยหนังสือปริยัติเก็บไว้ก่อนไปนะเจอหัดรู้หัดดูนี่แหละ ไป่านหัดรู้หัดดูแล้วรู้เรื่องแล้วค่อยมาดูของหลวงพ่ออีกทีหลวงพ่อไม่ได้เขียนหนังสือให้คนหัดใหม่อ่านหรอกหลวงพ่อเขียนหนังสือเนี่ยนะจริงๆวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยนะพยายามจะรวมปริยัตกับปฏิบัติเข้าด้วยกันที่ผ่านมาปริยัติกับปฏิบัติชอบตีกันเหมือนมีพระพุทธเจ้าคนละองค์นักปริยัติเขาไม่รู้เรื่องปฏิบัตินักปฏิบัติไม่รู้ปริยัตไม่มีคนเดียวที่รู้สองอัน มันพูดกันไม่ได้คล้ายๆไม่มีไกด์หลวงพ่อเลยพยายามทำหน้าที่เป็นไกด์ให้เดี <S <S ๋ย <logo> วนี้ดูนักปริยัติก็ไม่ค่อยมีปัญหาคือไม่งั้นศาสนาจะไม่แข็งแรงเหมือนทะเลาะกันอยู่ด้วยนักปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่รู้ปริยัติเลยนะยบแบบมวยวัดจะทำผิดผิดถูกถู ก, ถกไปเรื่อยๆถ้าบุญบารมีพอก็ทำถูกไปหน่อย แล้วก็รูปรูปครามครามถูกถูกผิดผิดไปนะบนรรลุทำขึ้นมาแล้วยังไม่รู้เลยบรรลุเพราะอะไรรู้แต่ว่านี่ทําอย่างเงี้ย น, นั่งสมาธินะเสร็จแล้วมาพิจารณาร่างกายนะมันระเบิดเปรี้ยงเปรียงแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละรู้สึกตัวเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรบางทีพอนักปริยัติได้ยินว่านี่มันไปหายใจอยู่โอ้ยนี่สมถาถ้วะบรรลุไม่ได้หรอกนี่ไปนู่นเลย สิ่งที่หลวงพ่อทําไว้ให้กับคนปฏิบัตินะคือซีดีฟังซีดีไปนะแล้ววันหนึ่งพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยลองไปอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเราจะเข้าใจสภาวะเรียบร้อยแล้วไปอ่านเนี่ราจะรู้บัญญัตินี่เราจะพูดกับคนอื่นด้วยภาษาที่มาตรฐานไม่ใช่ว่าแต่ละสํานักคุยกันไม่รู้เรื่องปฏิบัติกับปฏิบัติก็คุยกันไม่ได้นะจะตีกันเองรือ ม, มันไม่มีภาษากลาง หลวงพ่อมันนั่งดูตัวเองไงถ้าเรารู้ปริยัติตั้งแต่แรกนะการภาวนาของเราคงไม่ลําบากเท่านี้มันนึกอีกทีถ้าเรารู้ปริยัติ ต, นะออรร ต, ตั้งแต่แรกเราคงไม่ภาวนารู้สึกว่าประคองอยู่เล็กๆเค่ะถูกต้องก็แต่ก็เมื่อช่วงก่อนที่ใหม่จะมาก็รู้สึกมันประคองอยู่นิดๆแต่มันสงบอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่ออย่าไปประคองความนิ่งความว่างนะเจ้าค่ะ ใม้ประคองดีขึ้นเยอะแล้วจุมันประคองอยู่นิดหนึ่งให้รู้เท่านั้นแหละใจมันตื่นภาวนาเป็นแล้วทุลักทุเลตั้งนานหลายปีเห็นไหมทุลักทุเลลงท้ายทุเลต์เวลาเราภาวนาเป็นแล้วเราทุเลตตัวเองรู้สึกไหมทาไมว่าของง่ายๆนะไปทำซะยากเลยรู้สึกอย่างว่ามันของง่ายไปทําให้ยากมันอานาถตัวเองนะ หลวงปู่สุวัสิ์ท่านบอกท่านด่าตัวเองเลยบอาทำไมเป็นโง่แท้นอ้ออย่างี้ของง่ายๆแค่นี้แหละเมืม่อวานเนี่ยเจ้าค่ะพอดีคุณแม่อามาลาเทศแล้วแบบแล้วโยมก็แบบมันสะอื้นแบบร้องออกมาแบบทลักออกมาเ่ะรู้สึกแบบพระพุทธเจ้าเทศแบบมาถึงคำพูดคำสอนของท่านแต่เราทำไมไม่เข้าใจเราโง่มากแล้วมันก็แบบ แบบเหมือนเราแบบพยายามจะดิ้นเนะเจ้าค่ะคือที่ผ่านมาเหมือนโยมพยายามจะดิ้นมาตลอดนั่นแหละเพราะคนแม่เทแล้วมันพลักออกมาแล้วเข้าใจคุณธรรมราเ็าเก่งนะพวกพวกบงฝีวันนี้โยมพาหลานมาเป็นครั้งที่สองอะเจ้าค่ะก็เลยดีเขามาจะหัดใหญ่แล้วจะกลับอาทิตย์หน้าเจ้าค่ะกจะให้หลวงพ่อตัวโตกว่าญาติผู้ใหญ่เยอะเลยอ้างว่าไป เพิ่งฝึกได้สองอาทิตย์ค่ะอะไรนเะพิ่งฝึกได้สองอาทิตย์ค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่คือบางทีก็รู้สึกว่าเริ่มเข้าใจแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้รู้สึกว่าติดเพ่งอ่ะค่ะตัวดีแล้วนี่สงสัยติดกันเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่ง <c oughs> ก็คือเงี้ย <c oughs> คนหัดใหม่ๆคนซึ่งไม่เคยหัดเลยเวลามาฟังธรรมะหลวงพ่อนะพอฟังแล้วจิตตื่นขึ้นมัก็ดูเป็นพอดูเป็นแล้วเกิดความโลภ อยากดูมากๆอยากดูมากๆเลยเข้าไปจ้องไว้กลายเป็นเพ่งนั้นคนซึ่งไม่เคยฝึกนะมันจะเผลอลูกเดียวสต่พฝึกรู้ตัวเป็นแล้วมันจะกลัวเผลอก็เลยไปเพ่งในผิดสองอย่างให้เรารู้นะเผลอไปก็รู้เพ่งไว้ก็รู้อย่างตอนนี้หนีไิคิดรู้สึกไหมมีหนีพิคิดอีกงานนึงเนี่ยตรงนี้เรียกว่าเพ่งกดไว้แล้วรู้สึกไหมแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหม ให้รู้ทันอย่างนี้นะรู้ลงไปเรื่อยๆรู้ไปสบายตรงนี้เพ่งอีกแล้วเพ่งแล้วก็เกิดสงสัยขึ้นแวบหนึ่งนะแล้วเที่ยวไปหามันแล้วรู้สึกไหมเนี่อรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้นะรู้ไปเรื่อยๆดูเขาทํางานไม่ใช่ไปทํางานแทนเขาดูจิตเขาทํางานไม่ใช่ไปทํางานแทนจิตเนี่ยสัเกตไหมที่จะเข้าไปดูแล้วออกมาไม่ต้องไปหามัน หลงไปในความคิดแล้วรู้สึกไหมใจมันไหลไปดูเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปบังคับมั น, มนรู้อย่างที่มันเป็นจริงๆง่ายสุดๆเลยที่หลวงพ่อโวยวายว่าง่ายนะเพราะหลวงพ่อไปทำผิดมาก่อนทำซะยากเลยเราก็เลยรู้ว่าโอ้อย่าไปทำมันสิเหมือนอย่างถือเนี่ยเมื่อไหร่จะปล่อยได้เมื่อไหร่จะปล่อย อะไย่าปล่อยนะจิตจะเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกไหมมันโง่สุดๆเลยหรือเ่ามันก็ปล่อยก็ปล่อยอะสิมันทําไมเอ๊ะทำไงมันจะปล่อยนะก็อย่าไปถือมันใจของเราเนี่ยเราไปถือมันนะว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราอยากให้มันดีอยากให้มันดีา ห, นดหาทางทำอย่างโน้ น, นหาทางทําอย่างนี้ได้ไปอ่ะได้อีกคนนึงคนนี้เคยมาไหมเคยมาแล้วครับ เมื่อวานก็มาครับเมื่อวานครับวันนี้ตื่นเต้นน้อยกว่าเมื่อวานเห็นกิเลสยังเห็นเยอะครับดี่เห็นหลายตัวดีละกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างนั้นแหละครับนะเวทนาใดๆเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างนั้นแหะเนี่ยตอนเนี้ไปตรึงจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมครับอย่าไปตรึงมันปล่อยมัน ปล่อยให้หลงไปเลยเ ห, เออหลงไปแล้วรู้เอานะไม่ใช่หลงไปเลยนะไปหลงไปแล้วรู้เอาหลงไปแล้วรู้เ อ, อเอาค่อยฝึกไปเสียดายเมื่อวานป้อไม่มาเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นะหลวงพ่อแทบไม่สอนเลยหลวงพ่อให้ส่งกันบ้านมีคนภาวนาเก่งๆเต็มไปหมดเลยนะเวลาส่งกันบ้านนะ่ะน่าฟังมากสนุกือทัท <laughs> วอะไรหลวงพ่อลืมไปหมดแล้ว ไปอยู่มูนนี้ที่ดวงแก้วอะไรนะอ๋ออยู่วัชระธรรมหมอเบียวรถพยายามมาชวนหลวงพ่อไปอยู่วัชระธรรมสถานแต่ก่อนนั้นบอกว่าอยู่สวนโพไกลไปให้ไปอยู่วัชระบอกอยู่ตอนนั้นตายเลยใกล้ไปหลวงพ่อครับก็ได้โอกาสเพราะว่าวันนั้นกลุ่กับพี่หมอแล้ว บอกว่าจะนิมนต์หลวงพ่อไปเทศที่วัดจรธรรมสักวันสองวันเนี่ยครับเพื่อไปสอนเพราะยังไม่โยมที่ตั้งใจเยอะๆหลวงพ่อยังไม่ได้รับนิมนต์เลยหรือถ้ารับแล้วหลวงพ่อจะไม่ได้อยู่วัดถึงกับ่าไหมครับผมแต่สาราลุงชินเนี่ยไม่ได้นิมนต์อะไรนะสาราลุงชินในยนต์เนี่ยมานิมนต์หลวงพ่อไม่ได้รับเพราะในยนต์หรอกอย่าสําคัญผิดนะหลวงพ่อรับเพราะหลวงพ่อพุทธท่านสั่งไว้ งั้นเราไปนั้นเราถือว่าเราไม่ได้รับนิมนต์หรอกแต่เราไปรับใช้ครูบาอาจารย์ตามที่ท่านสั่งไว้คือถ้าหลวงพ่อเดินสายเมื่อไหร่หลวงพ่อจะไม่ได้อยู่วัดพวกเรามาที่นี่ก็จะเจอสภาวะเหมือนหลวงพ่อเคยเจอสมัยก่อนไปหาหลวงพ่อพุทธไม่เคยเจอเลยไปหาหลวงปูส่สิมไม่เจอไปทั้งไกลเนะ่ยอย่างหลวงพ่อพุทธังไม่เท่าไหร่นะหลวงปู่สิมเนี่ยไกลไกไม่เจอ ท่านเข้ากรุงเทพเเราก็วิ่งไปจากกรุงเทพอะไรเงี้ยงั้นตอนนี้ยังไม่ได้รับเนาะวัชร ะ, ะก็ไม่ไกลเท่าไหร่ให้นั่งรถมาเรียนเอาเบอร์37ใจลอยไปละเบอร์สารู้สึกไหมบังคับตัวเองละแค่นี้ก็เรียกว่าบังคับแล้วนะให้ค่อยรู้สภาวะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยเนีย่ยเมื่อกี้เนี่ยใจหนีไปคิดละทราบไหมก็รู้สภาวะที่ใจหนีไปคิด ตอนนี้เริ่มบังคับอีกแล้วทราบไหมแต่บังคับอ่อนกว่าตะกี้นิดหนึง่งนี่เราก็รู้สภาวะไปการฝึกหัดปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยไม่มีอะไรมากเบื้องต้นเนี่ยนะให้หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเสร็จแล้วสติมันจะเกิดเองพอสภาวะเกิดต่อไปนะสติจะรู้เองโดยที่ไม่ต้องจงใจจะรู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู ปัญญาจะเกิดเห็นว่าทุกสิ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปตัวเราที่แท้จริงไม่มีมันจะเกิดปัญญาเป็นลําดับลําดับไปเพราะฉะั้นจุดตั้งต้นเนี่ยหัดรู้สภาวะนะหัดไปทั้งวันเลยหัดบ่อยๆเท่าที่หัดได้ใช้ได้นะที่ฝึกอยู่เด็กๆเดือวนี้เรียนได้เร็วเรียนได้ดีหนีไปละรู้สึกไหมรู้สึกสบายใจนันหนีไปเลย ให้รู้ทันนะรู้สึกไหมใจเราขลุกคลักคลุกคลักตอนนี้จะรู้ไปอย่างนี้นะรู้สึกไหมตอนนี้ตั้งมั่นกว่าเมื่อกี้เนี่ยดูอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆไม่บังคับเลยนะปล่อยให้เข้าไหลไปแล้วเราดูไปเรื่อยปล่อยให้เขาเคลื่อนเคลื่อนเราดูอยู่ห่างๆเราอย่า ก, กระโจนลงไปดูนะตัวนี้สําคัญนะไม่กระโจนลงไปดูดูอยู่ห่างๆใจนี้พิคิดละอาเชิญโยมไปทานข้าวไปนิมนต์ครับ